สี่สิบเจ็ดการเตรียมตัวเดินทางคุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้วอย่าลืมอะไรนะ คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่คุณ r e องใช้กระเป๋าใบใหญองใาใบใหญ่คุณองใช้กะาองใะเป๋าใบใหญ่คุณตองใาลืมตัอเครื่องะบใหญะอย่าลืมเช็คเดินทางนะ Ikke glem ม e i ร e s เช k คก์เอาครีมซันแทนไปด้วยนะทอาแวได้อสูลครีมเอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะทอาเมด่อสูลบริลล์นเอาหมวกกันแดดไปด้วยนะทอาเมื่อสูลฮัทตนคุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม Vill du t a ่าเ d ื่อได้บิกคุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหมวิลล์ดูท่าเม i ่อได้ไบรเซคุณจะเอาร่มไปด้วยไหมวิลล d ดูท่าเมื่อ a ด้พารอย่าลืมกางเกงเสื้อและถุงเท้านะฮัสกกส์ s o k <S k e n e อย่าลืมเน็คไทเข็มขัดและเสื้อนอกนะ h ุ้นส์กิบลิปสันน่ะเ e ลต์น่ะและเดรสแอย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ h ุ้นส์กิพ a m a n าล์น t ะ l ็อตจุลน่ะและเทชคุณต้องใช้รองเท้ารองเท้าแตะและรองเท้าบูท d u t r รนเกูสันด คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าสบู่และกรรไกรตัดเล็บ du อร o ลคุณต้องใช้วีแปรสีฟันและยาสีฟัน du เทรนเกอรอเบตแ t ะทันม